ข อ, อยังเดียวให้ได้ยินได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังแล้วนะให้ลงมือทําให้สมควรแก่ธรรมะจะทําให้ถูกนะรู้วิธีที่ถูกต้องก่อนเมื่อรู้วิธีที่ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติทําให้สมควรแก่ธรรมไม่ใช่ทํานิ่งๆหน่อยๆถ้าเราปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติพอสมควรเราก็จะได้รับผลทันตาเห็นเราจะเห็นด้วยตัวของเราเองเลย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 พอได้ย <Es> <an> ินได้ฟ <S takeaway? dem ata> ังธรรมะบ้างนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นี่ดีมากๆากนะพอปฏิบัติชำนี้ชํานานนะหลงแล้วรู้แล้วก็เพ่งหลงแล้วรู้แล้วก็เพ่งแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนนะพอเริ่มลงมือปฏิบัตินะก็เพ่งเพ่งเพ่งเลิกเพ่งก็หลงมีแต่เพ่งกับหลงหลงกับเพ่งนี่พวกที่ภาวนาผิดนี่ถ้าเราภาวนาถูกนะ